คงปล่อยเวลาให้หลวงไปโดยเปล่าประโยชน์แต่แก่ตายไปโดยไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็หลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัทธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักขีธรรมสามสิบเจ็ดประการมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นโพธิปักขีธรรมแปลว่าทำอันเป็นฝากฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไป มองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนั้นคือไม่รู้จักติดชอบโชดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเผดอันทําให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าไพคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบนั้นจักอธิบายต่อไป ราคะนั้นคือความกำนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำนังในกามซึ่งเรียกว่ากามราคะหรือความใคร่ในการสืบพันธ์ในการประกอบเมถุนกักรรมโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ําเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน้าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่ม ดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่มีกระหายน้ําไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ําก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นเมื่อเห็นวิสภาคารลมสมมุติว่าเพศตรงกันข้ามย่อมแสดงความกระหายออกมาหากกระหายจัดย่อมจะหาทางบําบัดความกระหายนั้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะแรงกระตุ้นภายในคือความกระหายขึ้นอยู่ในระดับสูง เมือนคนกระหายน้ําจัดจนได้อาจยับยังได้ต่อไปแม้น้ำขุนและโซกปโปรก็พยายามจะดื่มเพราะเหตุที่จิตใจปกติของคนธรรมดาสามัญชุ่มหรือซึมทราบอยู่ด้ราคานี้เองท่านจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาวเมื่อพูดถึงเพศตรงกันข้ามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะของตนก็มักพูดกันได้ยืดยาไม่รู้เบื่อไหนคุยเรื่องอะไรอะไรอื่นมาก่อนในที่สุดก็มักจะเวียนวกมาหาเรื่องที่จิตซึมทราบอยู่คือเรื่องระหว่างเพศอันเป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่แห่งราคะ คนเมื่ อ, อยังมีราคาก็ยังมีความกลัวกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคาลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคาเึ้นแห้แงความกลัวก็พลอยหายไปด้วยในโลกสมัยใหม่กิจกรรมบำรุงบำรเราราค้าและการคา้าอันเป็นไปในท่วงทำนองส่งเสริมราคานั้นมีมากมายสุดจะพรรณนาได้กิจกรรมและการค้าเหล่านั้นดําเนินไปด้วยกําไรอันงามเพราะไปจัดทําสิ่งที่ถูกใจคนส่วนมากคข้า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 จึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมห oh ะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทํางานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทําได้และทําได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งควรใจให้เก๋จิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบําเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็ยงไปถึงข้อว่าเป็นผู้รับบุญและบาปได้แล้ว คำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอาหารหันต์คนธรรมดายังต้องทําบุญบ้างบาปบ้างเพราะคิตเราต้องการทําแม้บางคนจะไม่ต้องการทําบาปแต่ต้องทําลงไปเพราะสู่แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วย้าวภายนอกไปไหวๆเมื่อทําความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อถามว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทําความดีบ้างทําความชั่วบ้าง ผลแห่งความดีความชั่วก็ออกมาในรูปให้สุขบ้างทุกบ้างในการทําการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวแต่พระอรหันต์ท่านมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องการบุญอีกบาปนั้นท่านไม่ทําอย่างเด็ดขาดบุญท่านก็ไม่ต้องการอีกแล้วบาปท่านก็ไม่ทําแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าผู้ละบุญและบาปได้ จิตอันประกอบด้วยความกลัวไม่มีแก่ท่านผู้เช่นนั้นท่านเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลับเพราะกิเลสตื่นตื่นอยู่เป็นนิจด้วยธรรมความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันทีมีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาทำฝ่ายผุ้สนอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคง การรู้แจ้งพระสัตธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้เพระถ้าพาสิทธินี้พระศาสดาตรัสเพราะปารกพระจิตรหัสผู้บูรโธศึกศึกอยู่ถึงหกครั้งมีเรื่องย่อ ด, ดังต่อไปนี้เรื่องพระจิตรหัสจิตรหัสเป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วตอนมันเข้าฝูงรู้สึกหิว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 วันธรรมดาก็มีชันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทํางานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารพระณีรตอย่างที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นเครื่อหัตถ์ทำไมบวช ด, ดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้รวมพรหมจันทร์ได้อาศัยลาบสการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้นเวลานั้นพระจิตหัดเคยแต่งงานมาแล้ว พัญญาก็ยังอยู่จึงคิดถึงพัญญาและศึกออกไปเมื่อไปทํางานหนักข้าวก็สู่พร้อมอีกจึงมาหาพระขอบุดพระก็บวดให้เขาบุดบุดศึกสึกอยู่อย่างนี้ถึงหกครั้งขณะนั้นพัญญาของเขามีคันวันหนึ่งกลับจากทางานในป่าวางเครื่องถ่ายเครื่องใช้ย่างอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสายพันบุดอีกบังเอิญได้เห็นพัญญานอนหลับอยู่ผ้าหนุ่งของเธอหลุดลุ่ยน้ําลายไหลออกจากปากกรนดังคลืดครืด ปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตรหัดเหมือนศพที่ขึ้นพอเขาคิดว่าสิริระนี้ไม่ที่หนอเป็นทุกหนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องสึกออกมาเนืองเนืองเราจะออกบวชแล้วมาจับมาอีกเขาฉวยผ้ากาสายะได้เอาคาดพุงแล้วลงจากเรือนเดินก้มหน้าไปแม่ยายของเขาอยู่บนเรือนอันติดต่อกันเห็นอาการของจิตรหัดแล้วประหลาดใจจึงเข้าไปดูในเรือน เห็นลูกสาวนอนหลับอยู่ด้วยอาคารนั้นจึงปลุกให้ตื่นขึ้นเตะลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติลูกเสตีเถิดโผล่ของเองไปแล้วมัวนอนกรนอยู่นี่แหละคราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทําอย่างไรลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพลางกล่าวว่าแม่ออกไปซะเถอะเขาจะไปข้างไหนอีกสองสาววันก็กลับมาเองแหละนายกิจหัดออกจากบ้านบนพุมพำไปด้วยว่า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 นับเป็นครั้งที่เจ็ดในการบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่สึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สําเร็จอรหันภายในสองสามวันเท่านั้นกวางที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงข่าวจริงเข้าก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตทหัดบวชนานวันไปหน่อยเพื่อนภิกษุด้วยการจึงถามเชิงล้อเลียนว่าจิตหาหัดยังไม่ถึงวันเสกอีกหรือทําไมครั้งนี้จึงชักชาอยู่เล่าพระจิตทหัดตอบว่า เมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตรหัสหมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตรหัสพูดอวดมักอวดผลจึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตรหัสบุตรของเราไปไปมามาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัตธรรม จิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วจากนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอนัวัติตาอธิจิตต ส, สัตธมังอวิชานาโตเป็นอาทิมีนไ n ยะดังได้พัฒนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งทิศสูทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อกว่ากิเลสนี้ยาบนะกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่ง พระอระหันต์เห็นป่านี้กิเลสยังให้มัวมองได้ทำให้ต้องบวชถึงเจ็ดครั้งศึกถึงหกขนพระศ า, ศ า, ศาสดาเสด็จมาสดับคถานั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วพิกสุท์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยากนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซ้จักรวาลนี้ก็แคบไปพรโมโลกก็ต่ำไปไม่พอบรรจุกิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้มัวมองได้ ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเฮี้ยนอีกอันหนึง่งต้องบวชแล้วศึกถึงหกขนในการไร่เล่าพระเจ้าข่าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าค่ะถ้ากรณ์นั้นเธอทั้งหลายจงฟังพระศาสด า, าได้ตรัสเล่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้ในอดีตการกุฎทานลบัณฑิตในกรุงพระนาศีบวชเป็นนักพรตภายนอกพระพุทธศาสนา อาศัยอยู่ณนะหิมะวันตประเทศแปดเดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นเขาคิดว่าในเรือนของเรามีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างละครึ่งธนานและจอบเพี้ยนอีกอันหนึ่งเราพอทําการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าวฟ่างและลูกเดือยต้องเสียไปเลยดังนี้แล้วซึกออกมาเพาะปลูกทํารั้วไว้เมื่อเมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทําพันธนานหนึ่งนอกนั้นได้บริโภคแหลแล้วได้ออกบวชอีกแปเดือน เมื่อฤดูฝนมาถึงแผ่นดินชุ่มชื้นก็คิดอย่างนั้นอีกสึ่อีกทําอยู่เช่นนี้เจ็ดครั้งในครั้งที่เจ็เกิดสังเวชสลดใจจึงคิดว่าเราควรทิ้งข้าวฟ่างลูกเดยและจอบเพี้ยนในที่ใดที่หนึ่งอันจะหามันไม่เจออีกเห็นว่าควรทิ้งในแม่น้ํำคงคาแต่ถ้าเห็นอยู่อาจลงงมเอาในการภายหน้าต้องทิ้งโดยวิธีที่จะไม่เห็นมันบัณฑิต จ, จอบเพี้ยนเอาผ้าห่อข้าวฟ่างและลูกเดยแล้ว เอาพันเข้ากับจอบจับด้ามจอกเวียนเหนือศีรษะสามรอบแล้วหลับตาเวียงไปในแม่น้ําคงคาลืมตาขึ้นเหลียวดูไม่เห็นที่ตกจึงเปล่งเสียงดังขึ้นสองครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นพระเจ้ากรุงพระณสีเสด็จกลับจากปราบปัจจันตะชนบทให้ปลูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาเสด็จลงแม่น้ําเพื่อทรงสนานพระวรากายทรงสดับเสียงนั้นไม่พอพระทยัย เพราะว่าโดยปกติเสียงว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระทัยของพระราชาพระองค์เสด็จเข้าไปหาบุรุษนั้นตรัสถามว่าเราทําการย่ายีศัตรูมาเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจว่าเราชนะแล้วท่านร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหมายความว่ า, วาอะไรกุธาลบัณฑิตทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ชนะโจรภายใน คือความโลภแล้วจักไม่กลับแพ้อีกการชนะชวนภายในคือความโลภดีกว่าการชนะชวนภายนอกดังนี้แล้วกล่าวคาถาย้ำว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นยังไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้อีกชายชนะนั้นดีขณะนั้นเองท่านมองดูแม่น้ำคงคายังกสินมีน้าเป็นอารมคือใช้อาโปกสินให้เกิดขึ้นแล้วบรรลุคนพิเศษแล้วลอยขึ้นสู่อาคาศ พระราชาทรงเลื่อมใสขอบรรพชาพร้อมทั้งไพรพลพระราชาอื่นๆในแกว้งใกล้เคียงทรงสับเรื่องราวแล้วเสด็จออกมาบวชตามถึงเจ็ดพระองค์พระศาสนาตรัสในที่สุดว่าภิกษุทั้งหลายกุศธาละบัณฑิตในการนั้นคือเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของหยาบนัก